2 2่ิบสนิัยปฏิปฏัสติกถาว่าด้วยการระ ง, งับนิสัยเรื่องนิสัยระ ง, งับจากอุปชาและอาจารย์ข้อ83สมัยนั้นเมื่ออุปชาและอาจารย์หลีกไปก็ดีศึกเสียก็ดีบรณภาพก็ดีเข้าไปรีดเดรัถีก็ดีภิกษุทั้งหลายไม่รู้ว่านิสัยระ ง, งับ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายนิสัยรังับจากอุปชาหประการเหล่านี้คือ 1. อุปชาหลีไป 2. อุปชาศึก 3. อุปชาบรณภาพ 4. อุปชาไปเขารีดเดีรถี 5. อุปชาสั่งบังคับภิกษุทั้งหลายนิสัยระงับจากอุปชาหประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลาย นิสัยระ ง, งับจากอาจารย์หกประการเหล่านี้คือ 1. อาจารย์หลีกไป 2. อาจารย์ศึก 3. อาจารย์มรณาภาพ4อาจารย์ไปเข้ารีดเดรัตี5อาจารย์สั่งบังคับ 6. สัตวิวิหารกไปเข้าร่วมกับอุปชาพิกษุน์ทั้งหลายนิสัยระ ง, งับจากอาจารย์หกประการเหล่านี้นิสยาปฏิบัตสิสสทิกถา จบ